ตั้งประเทศละผู้เป็นครูบาอาจารย์ทุกท่านขอเจริญพรท่านรองศาสตราจารย์ <c oughs> วิชัยสุธีละชานอนผู้จัดโครงการวิธีการที่ดดำเนิน ง, งานร่วมกันมาหลายปีแล้วรอยกระทั่งท่านวิทยากรพันโทวิงรถเฉยเป็นต้นเจ้าหน้นาที่ทั้งหลายร่วมงานกันดำเนิน ง, งานให้สมเร็จตามเป้าหมายขอเจริญพรผู้จัดรายงาน การอบรมของกรมการศาสนามีคุณอ น, นาชาบัวชลิั่งเจ้าหน้าที่พนักงานข้ารการทุกท่านกรมการศาสนาทั้งฝ่ายโยมหญิงโยมชายที่จะมาร่วมงานการปฏิบัติวันนี้อตาตมา จ, จะชี้แจงเรื่องนานาชนิดของชีวิตของผู้ปฏิบัติหลายสํานักหลายแห่งหลายหนหลายที่หลายทางหลาย ขอนตะบลที่มาสู่จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมณนะที่หอประชุมโอกาสบัดนี้ตอนนี้ไปโปรดได้ตั้งใจฟังอรรมาจะร์ที่แทงสืกต่อไปณนะโอกาสบัดนี้ <c oughs> คุณเจ้าในฐานะนวกะที่รับสารนิสัยปัจจัยร่วมอุปชาจารย์สัตทิงวิหาริกอันเตวศิก ทั้งสองประการนี้เราก็มาอบรมกันตั้งแต่วันที่เจมาตามอันดับและบรรดาขา้าราชการทุกท่านธนาการเจ้าหน้าที่สาธนรการควบ ก, กรมการศาสนาทั้งโยมหญิงโยมชายโปรโดตั้งใจที่เราจะชี้แจงในโอกาสนี้เพื่อการปฏิบัติธรรมมีมากเราจะพูดกันโดยข้อคิดเหมือนคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมวินยัย มีถึงแ4ด0มืนสี่พันประธรรมขันมากมายหลายประการต้องแปดหมืนสี่พันพระคำภีมากข้อเหลือดีที่จะใช้มากมายเหลือเกินเราก็ไม่สามารถจะคำนวณการที่จะไปท่องบ่นจำทรงและปฏิบัติได้ทุกข้อมีทั้งพระวุ่ในพยะปีดกพระสุจันต์ปีดกพระอภิธรรมปีดกยกขึ้นมาชี้แจงข้อเท้จริงสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนนั้น ไม่มีพระไตยบิดกเพราะยังไม่ได้สังฆนากันเพราะยังมีโอกาสที่จะชี้แจงแบบไหนแบบเทศสอนขึ้นธรรมสหรือเปล่าไม่มีธรร ม, มาสพระองค์ทรงสเสด็จทุกวันไม่เห็นแต่ความยากเหนื่อยพระวรากายพุทธกิจท่าประการครบพระองค์เรียงยานตอนตีสี่จึงให้พระคุณเจ้าตื่นตีสี เลงยานดูสบักยานวิถีคือความรู้สึกนึกคิดสมองกำลังว่างงานพลังงานกำลังดีจะศึกษาอะไรก็ตอนนั้นจะนั่งภาวนาตอนนั้นได้ผลดีอย่างยิ่งในตอนตีสี่นกวิหกล้องคึกกล้องพนาพลายเงียบสงัดในหลังของเขาเงียบสงบปรารบขึ้นมา ถาใครตื่นตอนตีสี่ตามที่พระพุทธเจ้าลิงยานจับจุดได้แล้วตอนตีสี่สำคัญมาก <c oughs> ตอนที่สงบกำลังจะเรียบราแม่คงแม่ข่ากำลังขายของโตรุง่งตีหนึ่งตีสองขายกันไปตีสี่อาจจะเงียบลงไปก็ได้หรือผัดจะนอนตื่นตีสี่รอบสองคนรอบสองก็เวรสองก็ทำต่อไป ขายตลอดปีตลอดชาติเพราะมีเวรมียามผลัดก น, นอนไปชานองนี้เป็นตน้นอันนี้มีความหมายมากเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้านี่มากมายเหลือเกินที่เราเข้าใจกันเมื่อสมัยพระพุทธเจา้าทรงไปชนนั้นพระองค์ทรงสเสด็จออกไปทุกวันไปไหนไปสอนประชาชนไปช่วยเหลือชาวโลกให้พ้นที่จากกองทุกข์ที่มีปัญหาในสังคม ไม่ใช่ขึ้นทำ ม, มาตีคลองร้องเป่าตีะระฆังลั่นกระดิ่งแล้วก็มาฟังเทศจะเป็นวันวันมันเสียงานเสียาการชาวบ้านเา้านี่สมัยพุทธกาลเล่าให้ฉันทั้งหลายฟังก่อนพุทธกิจห้าประการครบรองมีพุทธกิจแปลว่ากิ จ, จวัตรแต่พูดตามศาสตร์พระนวกะเรียกกิ จ, จวัตรสิบข้อท่านต้องทําให้ครบสิบข้อถึงจะจบรายการพระนวากา เป็นกิจกรรมที่ตนจะต้องทำโดยบังคับแต่ก็ไม่บังคับแต่เป็นกิจกรรมที่จะต้องทำถ้าหน้าที่ถ้าท่านผู้ใดรับรู้มีความรู้หนึ่งแต่ไม่รับรู้รับรองไม่ไมหลอบรู้และไม่หลบอบคอและไม่ชอบระวังไม่ตั้งใจกลงไม่ทรงสินธรรมอย่างแน่นอนบางคนมีความรู้ถึงปริญญาเอกก็มีมาก ในยุคปัจจุบันทุกวันนี้แต่ไม่รับรู้ยกตัวอย่างผู้บังคับบัญชาหรือท่านสมภารเจ้าวัดก็เรียกว่าผู้บังคับบัญชาหรือจะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการก็ตามมีความรู้สูงนีงจะเป็นสมภารเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นการปกครองสงบริหาร น, นักธุรกิจทำหน้าที่บริหารงานแต่ท่านไม่รับรู้ เราจะเกิดความรู้จากความรับรู้มันต่างกันบางคนมีความรู้จริงแต่ไม่รับรู้ตามวิชาที่เรียนมาไม่มีผ้าปฏิบัติจึงไม่รับรู้คนที่รับรู้เน่เป็นตัวปฏิบัติจึงจะจัดเข้าในรูปแบบว่าหลบรู้ความรู้ยังใช่ไม่ได้เพราะไม่รับรู้ไม่รับฟังไม่รับปฏิบัติการทานผู้บังคับบัญชาสั้งทั้งหลาย โปรดทราบคือพนักงานเจ้าหนา้าที่คริสตจรทุกท่านที่รักทั้งหลายเ อ, อ, อ๋ยอาตมาขอเรียกให้สั้นเขาไปเรียกว่าโยมก็อาตมาดีกว่าสบายดีมันชื่นใจเรียกว่าโยมในที่นี้เราจะเห็นได้คนมีหลักสามวิธีหลักหนึ่งความรู้สองจากคำรู้คือวิชาการสองมันอยู่ที่ข้อสองคือในิสัยไม่เหมือนกัน สสุขภาพไม่เหมือนกันสุขภาพกายสุขภาพจิตไม่เหมือนกันคนที่มีความรู้เนี่ยไม่มีความรู้ไปราชการไม่ได้เพราะไม่ต้องไม่ต้องพูดกับเรื่องหัวความรู้ถ้าไม่มีความรู้จะทําหน้าที่นั้นไม่ได้เห่นยกตัวอย่างในอำเภอผู้ปกครองผู้ริการจังหวัดผู้ปกครองจังหวัดรับผิดชอบทั้งจังหวัดก็ต้องมีความรู้อันนี้ความรู้ปัดไปเชียไม่ต้องพูดถึง ถาไม่มีความรู้จะมารับนาทีนี้ไม่ได้มาจะ ก, กล่าวถึงแต่ต่อตัวข้อสองนี่สิท่านทั้งหลายที่มีผู้บังคับบัญชาหลายคนเดี๋ยวคนโนนโยกเดี๋ยวคนโนยยย น, โนย้ายเดี๋ยวก็เปลี่ยนเรื่อยๆที่ท่านทํางานนกจะจายมาถึงยี่สิบต้นสิบปีท่จะรู้วผู้บังคับบัญชาหลายคนแหละท่านจะต้องเห็นกับมาแน่หนึ่ข้อสองนิตใสดีไม่ดีเหมือนกันไหม ขอฝากไว้ในใจที่คิดในโอกาสนี้นิสัยดีไม่ดีไม่เบิดการมันอยู่ตรงนี้ยกตัวอย่างในงอำเภอก็ตมาเนี่ยบางคนย้ายโยกมาแล้วดีเลิศเกินนิสยัยเข้ากับเด็กได้เข้ากับ ผ, ผู้ใหญ่ดีเข้ากับวัดมาอารามคนที่นักปกครองฉลาดสามารถต้องเข้าพระได้เข้าวัดได้คนไหนเข้าวัดคนนั้นฉลาดสามารถจะเอาพระไปช่วยบริหารปกครองได้ เพราะพระท่านมีรู้เป็นที่ศูนย์รวมของประชาชนอยู่ที่วัดใครจะดีจะชั่วท่านจะได้บอกให้เดี๋ยวนี้นักปกครองมีความรู้จริงไม่ได้ตํานิแต่นิสัยไม่ดีก็แย่มีมากอยู่ที่ขอสอมบางทีผู้ข้ามชาของเราเนี่ยเปรี้ยวมาแล้วไอ้คนเปรี้ยวย้ายคนขมเข้ามาอีกแล้ว ผมาม่แนละ้วไอหวานก็ามาทานอีกแล้วแหมมันอึดอัดเหลือเกินสําหรับคนทํางานเอาใจยากมันอยู่ที่ข้อสองเพราะเหตุใดนิสัยจึงไม่เหมือนกันเพราะปฏิบัติการไม่เหมือนกันปฏิบัติธรรมไม่เหมือนกันเพราะอยู่ที่ข้อไหนอยู่ที่การรับรู้บางคนเพ่อไม่รับรู้ของใครเลยเอาแต่ของตัวเอาแต่ใจตัวตลอดเนการจึงไม่รับรู้ของใครนี่ สุขอนี้เรียกว่านิสัยนิสัยแก้ยากจะเป็นใหญ่เป็นโตจะเป็นสี่กะแปดสีเก้าสี่สิบสี่ที่เบ็ดที่ไหนอย่างไรก็ตามแล้วแต่ซีแล้วแต่หน้าที่แล้วแต่ตําแหน่งเขาจะให้ดูทํานองนี้เป็นต้นแต่นิสัยเสีเหมือนกันไม่ได้ไม่จําต้องกล่าวผู้บังคับบัญชาแค่เพื่อร่วมงานกันนิสัยยังไม่เหมือนกันมีนิสัยดีนิสยัยใจดํานิสัยสามเอามาหิด เยี่ยมโหดทาลุนดุร้ายอีกบางคนก่อนนี้ใสไม่เอาไหนเลยแล้วทำให้พวกเรื่ม ง, งานร่วมงานสุขภาพเสียหมดสุขภาพจิตไม่หมดกำลังใจที่จะทำงานมีความหมายอยู่ในข้อสองท่านทั้งหลายจึงจะต้องมาปฏิบัติธรรมกันีนจุดนี้เป็นจุดตั้งเป็นถุลักของคนทั่วไปบางคนนิสใสแย่ขนาดเป็นปริญญาเอบ บางทีมีความรู้มากมายเหรือเกินก็เข้าในหลักที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็เนื่องจากว่าคนนั้นนิสัยไม่เหมือนกันเพราะว่าปัจจัยสําคัญมากนิสัยดีคืออดีตชาติได้สะสมอบรมมาดีมาในชาตินี้นิสัยดีอารีอัลล อ, อ ก, กับลูกน้องอรีอัลลอ ก, กับท่านผู้บังคับบัญชาเอาอกเอาใจลูกน้องมีเมตตากับลูกน้องตลอดรายการอย่างนี้สิ ้าไม่ลูกน้องมีกลำลังใจทำงานอย่างนี้ต้องเอาผู้ขุนข้าบัญชามาปฏิบัติทำถ้าจึงจะได้รู้เหมือนกันจะได้เข้าสเปคเดียวกันเข้าซส่เกินเดียวกันมันจะได้หมุนไปถูกจุดมุ่งหมายใยทางอันเดียวกันอันนี้สำคัญมากอาตมาขอเจริญพรญาติโยมว่าเทะระดับในพลพนโทพลเอกมาที่นี่ลองพ่อเรื่องกรรมฐานไม่ใช่เรื่องทหาร ทหารมาอบรมมันจะดีอะไรทหารมาต้องลบมต้องอจับปืนจับอาวุธจะมาท ร, รมะทำโมหน่ะอย่างไรกรรมฐานมันเป็นเรื่องของคนแก่กรรมฐานไปเรื่องของพระสงกรรมฐานไปเรื่องของคนจากไร้ตายอาตมาก็ย้อนถามบอกที่นี่นท่านไอพนขอถามอย่าว่าจะม า, าจ่วงจาบเลยเนะกรรมฐานแปลว่าอะไรก็แปลว่าพระ นั่นแนะแม่ไม่น่าไปในพลนเลยเป็นหามาได้ยังไงไม่รู้นี่เราพูดอย่างอย่างนี้ไม่พูดลับหลังเนี่ยไปพูดต่อหน้าเขาก็จะเล่นกับงานหลับห้นี่เราก็พูดในใจไอ้พูดในใจได้ดีขอจเจริญพโรโยมขอเรียนพระภิกษุความในใจเก็บไวเ้เถิดดีนั่นแนะเราไปาารักสาวเนี่ยอย่าไปบอกเขานะ รักคุดเขาไว้มันทนทานจริงๆรักกระทั้งตายก็ยังไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนี่รักคุดมีว้มดได้อย่าไปบอกอย่าไปเปิดจะไปเผยนี่รักทนทานรักนานเหลือเกินเพราะเขาไม่รู้เรื่องว่าเรารักเขาเลยเขาก็ดีอกดีใจกับเรานี่อย่างนี้เรื่องโลกแต่ไม่ใช่เรื่องธรรมไม่ใช่เรื่องกิจกรรมของเราแต่ประการได้ มีความหมายอยู่ขอ้อนี้เพราะฉะนั้นนิสัยปัจจัยจึงแตกแยกแตกกันไปจากกฎแห่งกรรมจากนานาชนิดมีความคิดหลายๆอย่างไม่เหมือน ก, กันจะความรู้เรียนทันกันหมดเรียนจบหลักสูตรหมดแต่นิสัยไม่ดีทําอย่างไรรูปร่างชําราด เ, เจ้านายคนนี้พระเอกในหนังสวยยังไม่เทียมแต่ใช้ไม่ได้นิสัยไม่ดีเลยจะไปพูดเขาแล้วเดี๋ยวเงินเดือนจะไม่ได้จะต้องโดนตัดเงินเดือน อันนี้เราพูดเล่นนะตามาพูดเล่นบอกโยมให้ฟังไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจังเรื่องละครเรื่องลิเกเล่นกันไปการเมืองหมุนเวียนกันไปาตามการการลสมัยมันก็เป็นเรื่องธรรมนาอนิจจังเ อ, อ้ยถูกขังอนัตตาหาความแน่นอนที่โปร่งคงที่คงวาคงศอกไม่ได้เลยเราจึงต้องมีการปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกสร้างอิสัยพระภิกษุทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ต้องการบวชนี่ยบวชให้เป็นนิสัยเอานิสัยพระไปใช้แล้วได้ดีทุกคนสําคัญฝึกไปแล้วไม่เอาไหนเลยเอานิสัยมาบอคอแตกไม่รู้เอาไปจากไหนเอาไปใช้ในสังคมมันก็มาได้ยพรนิสัยปัจจัยนี้ต้องเจริญพระกรรมฐานอย่างในพรนั้นก็บอกว่าเลื่อของพระหลวงพ่อไม่ใช่เรื่องพวกทาหารเอาพูดไปพูดหมดพุงหรื อ, อยังหมดแล้วครับ ผมเห็นแต่เขาจะบอกคุณทางการกรรมฐานเวลาเขาจะตายกันพุโทโธตัโมสังโฆพุโทโธอัลลาห์ติปิโตปะกวาบอกคุณทางอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานบอกท่านเข้าใจผิดฟ้ากนกับดินเลยท่านมีงานใช่ไหมงานมากไหมหมอหลวงพ่อเอ้ยกลับไปบ้านเซ็นหนังสือจนเที่ยงคืนยังไม่หมดผมเป็นผู้วัญชาการ เซ็นมากมายเยอะเกินเซ็นที่สำนักงานก็ไม่หมดต้องกลับไปพิจารณาที่บ้านดูแค่เซ็นชื่อก็จะตายแนวอะไรสำนองนี้ท่านเซ็นชื่อท่านพิจารณาอย่างไรผมก็ใช้สติสครับผมก็ใช้ปัญญาผมดูให้มันลาบคาบว่ามันจะผิดจะถูกประการใดนี่แหละท่านในพลนี่กรรมาฐานกรทำแปลกวาการกระทําให้ฐานเกาะอยู่ที่จิต โดยมีสติพิจารณาโดยปัญญากรกรรมาฐานแปลว่างานคนไหนมีงานมากคนนั้นมีกรรมาฐานมากคนไหนมีงานน้อยมีกรรมาฐานน้อยคนไหนไม่มีงานเลยว่างเปล่าก็ไม่มีกรรมาฐานเลยนี่จโจทย์มุ่งหมายของกรรมาฐานไม่ใช่เป็นเรื่องพวกคนแก่ไม่ใช่เปเรื่องพวกคนตายไม่ใช่เปเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นเรื่องทั่วไป เป็นกิจกรรมของคนผู้มีปัญญาที่จะต้องใช้วิธีนี้โดยใช้สติตประปัญญามาใช้กับงานให้ถูกต้องงานเราก็เรียบร้อยคล่องแคล่วว่องไวจะได้ลวดเร็วทันใจถูกต้องเป็นธรรมนี่จุดมุ่งหมายจากนิสัยในพลว่ายังไงในพลนิ่งบอกท่านทำงานมากเนี่ยท่านใช้อะไรเซ็นสื่สอผมใช้สตินี่เนี่ยกรรมฐ า, าน กรรมาฐานของอตามานี่ต้องใช้วรยาณพิจารณาโดยโยนิสโสมนาติการก่อนถึงตัดเส็นหนังสือแล้วไม่ใชอ่านทุกตัวไอ้คนที่งโง่เนี่ยอ่านทุกตัวแล้วไอ้ผู้บังคับบัญชาที่งโง่ก็ไปยืนดูสเสมียนพิมพ์หนังสือสั่งแล้วยังเสือกไปนั่งดูไปนั่งคมอย่างนี้ผู้บังคับบัญชาที่เลวที่สุดไม่มีนิสัยปัจจัยสั่งเขาไปทาถนนสั่งแล้วว่าไปอบรม สังแล้วนั้นเสือกตามไปดูตามไปวัดถน น, นอีกว่าทําถูกแบบไหมก็ฝากเข้าไปแล้วบอกนโยบายไปแล้วว่าทําถนนกว้างสิบมายาวยี่สิบมาก็ให้มันเสร็จตามนี้เขาจะออกนโยบายยังไงก็ตามเรื่องเขาเซ่ให้มันเสร็จตามหน้าที่ที่เราบอกว่าเขาไว้อย่างนี้เนี่ยกรรมาฐานเป็นผลงานที่สั่งงานและถูกต้องด้วยแล้วเขาตายแบงค์คบัญชาเขาจะทํำยังไงก็แล้วแต่เขา เขาจะมีมีเทคนิคยังไงก็ใช้เขายังเสือกตามไปถามเทคนิคอีกหรออถามยังไงถนอนนนจะเสร็จเอาลูกหลังมาโรยเท่าไหลอย่างนี้ผู้บังคับบัญชาแบบเร็วโดยที่ใช้มีโตใช้ขวานผู้บงังคับบัญชาจะเซ็นสือใช้มิโกนขาไม่ใช้ขวานนะแต่ผู้บงังคับบัญชาที่ดีนั้นจะต้องมีทั้งขวานมีทั้งมิโตถึงตอนไหนใช้อะไร ก็ใช้ตามแล้วยังอย่างที่ใช้ไปให้มันถูกต้องตามธํานองท้องธรรมโดยวิธีนี้ประการหนึ่งนี่มาจากกรรมฐานทั้งหมดไม่ใช่เรื่องอื่นเลยในผลคนนั้นก็ตอบว่าเอแปลกดีผมนึกว่าเป็นเรื่องคนตายเป็นเรื่องเขา อ, อดิตเาว่าสังขารลาสังขารไม่เที่ยงหนอแล้วก็กรร ม, มาฐานบอกไม่ใช่อย่างนั้นพิจารณาพระไตรลักณ์พิจารณาอสุภะพิจารณาพระกรรมาฐานในด้านอสุภะ มันมีมากมายจงร้อยแปดพันประการทํานองนี้เป็นต้นเนี่ยต่อมาก็เล่าให้ฉฟังบอกคําสอนผู้เจ้ามีมากถึงแปดหมืสี่พันประรมขันเหมือนยาของหมอหมอนี่มียามากไอ้ ย, ยาอย่างเดียวเนี่ยไอ้โรคมะเร็งอย่างเดียวยังต้องมีหลายยาหลายชนิดไอ้โรคลำไส้ไอ้โรคล้มนี่จังต้องมีจังร้อยแปดพันประการแต่และอย่างนี้มันยังมีแยกชนิดไปอีกแล้วเอาอย่างไรเราก็ไปเลือกดูอย่างไหนมันกินถูก จะเอาอย่างไหนยามันมีมากเหลือเกินแล้วก็สรุปได้ความว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แปดหมืนีพันมาธรรมขันมากมายเหลือจะนับจะคนาแล้วทีเกียรติท่องทีเกียรติปฏิบัติมันจะจับจุดไหนแล้วมาได้เลยเอาอย่างไงกันแน่ท่านก็ย่อให้แล้วโดยใายีิขาดสามคือสินละมาที่ปัญญานี่ยคือกรรมฐาน ปแปล ว, ว่าการทํางานให้ติดเกาะอยู่ในจุดมุ่งหมายของสมาธิจะได้มีสติปัญญาใช้ดุลนภินิษพิจรารณาให้งานนั้นเดินไปด้วยดีและถูกต้องไม่ใช่งานนั้นถูกใจถ้าเราไม่ดูใจเราแล้วในนัง่งธรรมฐานนับรองหมืนเ็นไม่เดี๋ยผลไม่ได้รับผลเลยเหมือนนักวิชาการแต่นิสัยไม่เหมือนกันมันอยู่ที่จุดสอง การอบรมการปฏิบัติธรรมการสร้างกุศล น, นี้เพื่อรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้าสู่ในมรรคแปดเดินทางดำริชอบคิดก็ชอบตทำงานก็ชอบอาชีพก็ชอบไอคำว่าชอบตัวนี้ไม่ใช่ชอบใจเราเท่านั้นต้องคนอื่นชอบด้วยต้องคนอื่นชอบด้วยจึงจะเรียกว่ามรรคแปดศีล คนมีมารยาทดีออกรูปแบบคือสถาปนิกศีลนี่เป็นสถาปนิกออกรูปแบบได้ทุกๆรูปแบบก็ศีลเราก็รู้ตัวอยู่นอบต้องปฏิบัติธรรมที่จะรู้ว่าเรานี่ออกรูปแบบสวยไหมทําไมจะรู้ว่ารูปแบบสวยไม่สวยต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตนั่นเนี่คือศีลเป็นเลือนให้ศีลอยู่กับเราศีลอยู่ทางไหน อ, งนอยู่ตางตากศีลอยู่ทางหูศีลอยู่ทางจมูกศีลอยู่ทางปากลิ้น ศีลอยู่ที่กายสัมผัสนี่ศีลออกรูปแบบดูอารมณ์นี่นิสัยนี่จะดีไม่ดีมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มีความรู้จะเป็นคนดีอันนี้ฉันเป็นในคนแล้วไปนคนดีในสังคมฉันเป็นเศรษฐีมีเงินร้อยล้านฉันเป็นคนดีไม่ใช่มันอยู่ที่คอสองเนี่ยขอฝากเขาด้วยถ้าคอสองดีและสุขภาพจิตในบ้านนั้นมีจิตใจเลือกเย็นหมดทั้งบ้านถ้าผู้บงังคับบัญชามีนิสัยดี รับรองได้เล ย, เลยสุขภาพจิตของผู้ทํางานสะตายบังคับบัญชาดีหมดไม่เป็นโรคประสาทตามนิสัยของผู้บังคับบัญชาไม่ดีลุกล้นเรารับรองควรทางานเป็นโรคประสาทหมดตื่นแป้นเดี๋ยวก็ออกไปทํางานไม่มีการอกกระใจเลยโอยอยู่ในจุดนี้สําคัญมากจึงต้องมีการอบรมปฏิบัติธรรมการอบรมนี่เราอบรมของเราเองไม่ใช่คนอื่นมาสอนแล้วก็เราตามเขา เราดูอารมณ์ของเรามีจิตสัมปชัญญะนี่งานกรรมฐานมันมีบทความนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนประชาชนท่านไม่มีตาําราท่านไม่มีตาําราเอาหนังสือไปอ่านสอนประชาชนออกมาจากรูปแบบเลยศีลเนี่ยเนี่ยศีลคือรูปแบบสถาปนิกออกแบบคนชอบไม้หมู่นี้ไม่ชอบออกแบบใหม่มันมีแบบอยู่ยละแยะในรูปกาย โลูกประทานาประมออกแบบมาพูดจาอย่างนี้อาตมาพูดถึงตอนนี้แล้วพูดให้ฟังอาตมาไปเชฟบานนอกหอกนาก็ท่องคําเทศให้ลีลาไปหัดเทศกับหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านบอกว่าต้องสุภาษิตสดุนี้ต้องว่าบอกแบบฉกาลาดอย่างนี้เสร็จแล้วก็ตั้งน้ำโมบอกวันเดือนปีใเดียบหน่อย ต่างนโมเสร็จแน่ก็ต้องวาลีลาของนักเทศอาตมาภาพจะแสดงพระธรรมมาเทศนาะเพื่อฉลองพระฐาของญาติโยมพุทธบริษัทก็ว่าไปอย่างนี้ขอญาติโยมพุทธบริษัทจงตั้งโสดสาทลองรับพุทธพจน์เทศนาะเหมือนภาชนะทองรองรับอย่างนี้คนฟังว่างไง ได้ยิงกระสีบนะเพดหาเลยไม่รู้เลือกเผุอะไรไม่รู้ร้องรับร้องเลิบหาอลไรก็ไม่รู้นี่เราได้ยินนะอัตมาภาพจะฉลองราทาที่เจ้าภาพหรือนี่มนต์อัตา ม, มามาสแสดงในวันนี้เหลืองปลาลพบในการบำเพ็ญกุศลว่าไปกุศลหาเหวี่ยอะไรก็ไม่รู้นี่สแสดงว่าฝังไม่รู้เ ล, เลือกเลยแช่นไม่เปลี่ยนลีลาไมา่ นี่มันอยู่ที่อย่างนี้นะออกแบบใหม่บอกแบบนี้มันเลยชอบก็ออกแบบใหม่นี่ยบัตรนี้อจะมาภาพจะมาเทศให้โยมฟังว่าทําบุญนี้เนี่ยได้บุญมากเนี่ยยกข้อฟ้าเนี่ยโอ้ยไปสวรรค์โอ้ ย, ส, อยสาธุเทศดีนาะเทศเพราะเนอะเนี่ยเออเอายังไงก็ล่ะออกรูปแบบใหม่ต้องรีบออกนี่เห็นไหมคนฉลาดต้องออกแบบ ท่านทั้งหลายเคยดูลิเกไหมดูโขนไหมแหมเขาลําสวยเลยเมื่อนั้นก็ทํำบทบรนั้นคือเสนานะไอโขนไม่บา้บาบ้าไม่เอาเหนือเอาใต้ลิเกไม่เอาไหนบทนั้นไอเจ้านายเสือไปทำเห็นไหมบทนั้นเป็นของเสนาไอเจ้านายไม่รู้ภาษาไปทำซะเองพอเมื่อนั่นไอเสนาไม่รู้ภาษาหยิบไปทําซะเองมันก็แย่เจเนี่ยเห็นไหมเนี่ย นี่มันไม่มันเจ้ากายกันมากมายนะักเจ้านายก็ไม่รู้จักเจ้านายชานองนี่เป็นตน้นเมื่อนั้นพระจั ก, กรินนเนี่บุญญลิศไม่มีสองเหนาในหรือไทยปองนีนน่คิดว่าน้องสีดามานั่งอยู่ที่โน่นนีน่ว่าอย่างงี้เอาอยัางไงกันนะนี่ไม่รู้เลือกกันอีกแล้วนี่ลีลาคนเราเนี่ยนาณาติตจังจิตไม่เหมือนกันศีล น, นี่สําคัญมากท่านย่อจากแปดหมืนที่บรรธรมขัน บางทีนี้มีคนสนองงานกราบทูลว่าคาสอนของพระองค์นี่มากมายเหลือเกินเหลือจะนับจะกรณาแล้วพระองค์บอกว่าเนี่ยทรายในกำมือของเรานี้มีเท่าไหรแล้วยังอยู่ในทะเลอีกเท่าไหรนี่คําสอนนี่แค่ทรายกำมือเดียวเนี้แล้วใบไม้กํามือเดียวเนี่ยยังอยู่ในตายเท่าไหร่มากมายกว่าไอ้แปดหมื่นสี่พันปฐมขันเนี่ยแต่เลือกแฟ้นในข้อปฏิบัติ โดยกลายอิจขา 3. สามสินสมาธิปัญญานี่มาจมากมรรคแปดนี้อยู่ตรงนี้เองไม่มากมายแต่เราทํากันไม่ได้แค่สินตัวเดียวก็ยังทําไม่ได้สินนี่ขอจเจริญพรว่างไม่ใช่องไปมายังพันเตวีซุ้งวีจุ้งหลักนาถายะศินมีอยู่ในตัวเราแล้ ว, ลวตั้งแต่ออกมาจากทองเขามราดาคุรุสมารมนุษย์ครบแต่เราไมไ่เคยออกมาใช้เลยเนาะบางทีถ้าบูรพามาชาผู้หลักผู้ใหญ่ฉันก็ไม่เคยใช้ศินแต่เข้าใจว่าต้องมายังพันเตเมื่อเช้านี้มายังแล้ว เตะแล้วต่อแล้วอะไรว่าอย่างนี้แท้แท้ศีลอยู่ในกายในรูปประกายนามกาณที่เราจะใช้เป็นประโยชน์ออกรูปแบบอย่างนี้เดี๋ยวนี้ออกรูปแบบมันไม่เป็นและไม่รู้จะแสดงออกมาอย่างไรคือสถาปนิกถ้าใครเรียนสถาปัตสิทธาปนิกมาจะรู้ออกรูปแบบเนี่ยบ้านจัดสรรนี่มานี่ยทำแบบสเปนนี่ทรงไทยเนี่ยทรงฝรังว่าายใครชอบมันชอบแบบไหนบ้างแล้วก็ออกรูปแบบแบบอย่างนั้นนี่คือศีล วิศวกรคือ ส, สามาธิรู้วาราจิตของตัวเองรู้อารมณ์ก็ตัวเองแล้วก็อ่านคนอื่นออกดูรู้วาราจิตขององืาา่นได้ด้วยสติสัมปชัญญะตัวเดียวนี้เท่านั้นนี่จุดมุ่งหมายของกรรมาฐานเบื้องตอน้นไม่ใช่อื่นใดทั้งสิน้นนี่อยู่ที่นิสัยไม่จะอยู่ที่วิชาการแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนข้อนี้สําคัญที่คือมรรคแปดสีนสมาธิปัญญาก็คือพัฒนาจิต ในเมื่อจิตดีแล้วรับรองได้เลยว่าสนใจศึกษามันก็เกิดพัฒนาการศึกษามาในตัวเองอยากจะมีความรู้อยากจะสนใจนู่นอยากจะสนใจนี่มันเกิดเองเพราะจิตมันดีนิสัยดีคนนิสัยไม่ดีนะี่ไม่ชอบอยากความรู้มีแต่ทิธฐิมานะเราจะเห็นบางคนเนี่ยความรู้ไม่ดีเลยแต่เขาพัฒนาจิตดีเขาก็สนใจไปหาตำหนักตำลามมาดูขึ้นม า, าแสวงหาขึ้นมันก็ดีขึ้น แล้วก็การศึกษาก็ดีขึ้นเพราะจิตดีแล้วถ้าจิตไม่ดีนะมันก็ไม่สนใจพัฒนาการความรู้มันไม่อยากจะรู้อะไรเลยแล้วก็ลูกน้องมากราบเรียนให้ข้อกิดตรมโหโออมีนี่เพราะท่านไม่จิตท่านไม่ดีถ้าจิตดีจะจะสนใจการศึกษาสนใจอยากจะถามใต้บงังคับบัญชาใครมีเทคนิคทางไหนมีวิชาเอกทางไหนถามดูบ้างสิ แตาถามดูเขาจะไม่ได้ช่วยงานอย่างเต็มใจด้วยความเต็มใจนี่ผู้ข้าระชาที่มีจิต ด, ดีมีนิสัยดีย่อมเป็นอย่างนี้ถ้ามาปฏิบัติธรรมรับรองหมื่นเปนไม่เข้าสเปคไม่เข้าไซเคิลหมุนกินเตียวกันเลยกิงเตียวก็อย่างนี้นะมันอย่างแน่ําคัญไอ้เตียวหวานเรียวหวานมันหลวมนะหลวมแล้วใช้ไม่ได้ต้องทิ้งทั้งเครื่องเลยทิ้งทั้งเครื่องเลยต้องไปปาบเลียวมาใหม่ ไอ้เกลียวเปีงเกลียวก็เพราะว่าพอแก้แต่ไอ้เกลียวหวานนี่ไม่เอาเหนื้อเอาไตเลยโดยทําลองนี้รับรองหมื่นว่าใช่ไม่ได้เครื่องเสียทั้งหมดเพราะเกลียวหวานแล้วขันไม่อยู่ทํำยังไงก็มาอยู่ไม่มีมาจากนิสัยนิสัยแก้ไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าจะแก้หน้าต้องปฏิบัติธรรมถึงจะลูกกิจกรรมของชีวิตถึงจะไม่มีทิฐิต่อไปถ้าคนไหนไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยรับรองหมืจะต้องมีทิฐิเลือดตาย ตัวเองดีกับคนอื่นคนอื่นหรือจะดีกับตัวเองตัวเองจะต้องดีกับเขาใครจะมากราบเรียนว่ายังไงข้าจะไม่ฟังนี่อยู่นี้ในสายขอเจริญพรบอกกท่านไว้จริงเท็ประการใดท่านต้องไปปฏิบัติเองที่จะพูดเนี่ยตามาพูดท่านอย่าเชื่ออย่าเชื่อตามานะลองไปวิจัยประเมินผลในตัวงท่านเองโดยเฉพาะจริงหรือไม่จริงเปรี้ยวหวานมันเค็มเหมือนกันไหม เพราะฉะนั้นเรา ท, ทั้งหลายปฏิบัติแล้วเราจะรู้ว่าปากใครปากมันกินเอามือใครมือเอาทําเอาต่างคนต่างทําโอนความอิ่มจากุนอื่นได้หรือมันก็ไม่ได้ของใครของมันถ้าใครทําใครก็ได้ใครไม่ทําใครก็ไม่ได้โดยทํานองนี้เป็นตน้นนี่จะมาเปรียบเทียบให้ ท, ทั้งหลายฟังก่อนนี่กรรมาฐานคือหน้าที่การงานถ้ากรรมาฐานดีสติดีสัมมาชัญญาดีงานดีหมดถ้าจิตดีสัย่างนวดีทั้งบ้าดทาดีทั้งผัวทั้งเมีย ดีทั้งลูกทั้งตาดีทั้งหมดเงินไหลนองทองไหลามานึกขึ้นมามันก็ไหลแดงไอ้ น, นี่ที่จะมาพูดในเรื่องจริงเพราะฉะนั้นคนเราเดีย๋ยวนี้จริงไม่ชอบไม่ชอบไปชอบที่ไม่จริงไอ้ที่ได้ไม่เอาเสือกไปเอาที่ไม่ได้เอาไอ้สา น, น, นองนี้อยู่ก็ตัวเองไม่เอาก็หมดทางเราก็หมดทางแล้วเดี๋ยวนี้ชอบหลอกชอบหลอกการชอบปล่อยโปล่ยแยการชอบสนองงานชอบพลําถอนขน่ะแขก ชอบอย่างนี้แต่จริงแล้วไม่ชอบเลยคนจะทํางานถ้าตายพอไม่ชอบคนพนาพนนอเจ้านาอย่างนั้นเจ่านายอย่างนี้นานายยแล้วก็หิวกระเป๋าให้คุณนายเขาหน่อยแจ้หิวไปยิวมาสองขั้นต้องได้แน่ต้องได้แน่ถ้าพระเราหิ้วย่าตามก้นนิมนต์หมอยเป็นพระครูด่เป็นพระครูด่ เ, ดเอาร้องแน่ไม่หิวย้ามไม่ตามก้นไม่นิมนต์บ่อยไม่เป็นพระครูนะ นะไม่เป็นนะอะขอฝากก็ด้วยนี่พูดสนุกเล่นนะพี่นอพูดสนุกเล่นสนุกสนุกหิ้วกระเป๋าให้คุณนายนอนชีเล่นพายก็เล่นด้วยแง่รับรองสองขั้นนี่ตมาดาจากรบรีเขามาเล่าให้ฟังบอกเราพ่อเอ้ยผมไม่ต้องทําอะไรเลยหิ้วกระเป๋าคุณนายไปเดี๋ยวนี้ผมเป็นลอยเอกเออรับจ่าเป็นลอยเอกรู้เลยนะเขาท่าดีแต่ก็ดีอย่างนั้นเน่ยนะดีอย่างนั้น่ดีไม่เป็นท่า ดีไม่เป็นเลือกแล้วไม่เป็นราวด้วยนี่เรื่องจริงนะที่เนี่ยอาตมาประสบเล่าให้ฟังนานาชนิดมีความคิดลหลายๆอย่างนี่มาเป็นความจริงแต่พระเราเนี่ยเผืเขาครจะบวชต่อไปนะอา้าวหิวยามนี่ตามก้อนนี ม, มนต์บ่อยถาวายมากๆรับรองเป็นสมุ ก, ก่อนอา่าฐานายังอยู่บัติกาเอาไหมเออหลองพ่อบัติกาบมไม่ชอบสมุกเอาไหม สมเออก็ดีนะแต่จะเมตตาก็แลกการแต่เป็นพระส ม, มะุเป็นสมปรโมได้ลองหนึนี่ผู้เล่นนะอย่าไปพูดที่อื่นนะโยมอย่าไปพูดที่อื่นเดีย๋ยวพระท่านจะว่าเอาท่านจะว่าเราพูดไม่จริงขอแท้จริงแฝงว่าดีความจริงทั้งสิน้นอยู่ในภายในนี่ผู้เล่นผู้เล่นอย่างในพนคนนั้น ก็รู้สึกว่าทหารมาอบรมที่นี่งดบัตรเลดตั้งเต็นี่เขาก็เริ่มมาเดี๋ยวนี้ดีหมดแล้วเพราะเขามาศึกษาอบรมเปลี่ยนนิสัยนิสัยขี้เมานิสัยเล่นการพ น, นันนิสัยตีเมียนิสัยด่าผัว